ต่อไปข้อ4ี่จตุถีวิพัฒน์ในอัตอะนะโมโยคะนะจตุถีวิพัฒน์ในอัตนะโมโยคะคำว่านโมก็คือนะโมนิบาตแปลว่าความนอบน้อมโยคะแปลว่าประกอบนะโมโยคะก็แปลว่าในที่ประกอบด้วยนะโมศพใครยังไม่เคยว่านโมบ้างนะอนะโมอะไรก็ช่างอะใครว่านโมไม่ได้ ใครยังไม่เข้าใจนโมไม่มีเลยเหรอสแสดงว่าเข้าใจนโมดีเหรอค น, น้นองต้องไปจําแนกมานโมองค์ทำได้แก่อะไรอ่าเขามีคำภีรนโมเรียนสามเดือนจบจะเรียนไหมคำภีรนโมอธิบายนโมคําเดียวเนี่ย <c oughs> เรียนสามเดือน Jam. จบ จำแนกอง์ทำละเอียดยิบเลยนโมนโมแก่ใครมันจะแตกต่างกันไงสภาวธรรมจะแตกต่างกันนโมสัมมาสัมพุทธะเช่นสัมมาสัมพุทธสัตว์นโมอย่างเนี้ยองค์ธรรมก็จะเป็นอย่างหนึ่งครูบาอาจารย์ก็จะเป็นอย่างหนึ่งนโมเดียวนี่แหละมีท่ากล่าวกับพระพุทธเจ้าคือเท้ามหาพรหม ลงมาก่าวกับผู้เจ้าตอนพู้เจ้าตรัสรู้ใหม่ๆนโมตัสสนี้เลยเนี่ยนโมทัสสะพระครรภโตนะโ ต, ะะ ต, ะตสัมมาสัมพุธะนะทธัสสะเท้ามหาพรหมเท้ามหาพรหมที่อรัตนนาเท้ามหาพ ร, มาราามหมที่ถวายบาทตอนออกบวชเนะท้ามหาพรหมเดียวกัน มาดูนะตัวอย่างข้อหนึ่งนะโมตัสสะพระคัพโตอังรหโตสัมมาสัมพุทธะให้สังเกตดูว่าประโยคนี้เนี่ยเขาไม่มีกิริยาเลยนะนี่เป็นประโยคบาลีหนึ่งประโยคนะนะโมเนี่ยแต่มีวิพัฒน์แค่สองวิพัตน์เท่านั้นคือนะโมเป็นปัทมาวิพัฒน์ส่วนตัสสะพระคัพโตอังรหโตสัมมาสัมพุทธะทั้งสี่สำนั้นเป็นจัตุถีวิพัฒน์เวลาเราสวนมนแปล นโมตัสสะพระคาวะโตขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มี พ, า พ, า พ, พงงระภาคพเจ้าพระองค์นั้นอรหันโตผู้ห่างไกลจักเกลเออะไรอย่างนี้นะสัมมาสัมพุทธัสสผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองอะไรว่าสวดมานานแล้วจงมีแด่แล้วจงมีอยู่ไหนอะนะโมนี่เลยแปลว่าความนอบน้อมจงมีหรือ แล้วก็ต้องใส่กิริยาณโมเนี่ยนิยมกิริยาคืออัตถุ เ, เ, เนี่ยวงเล็บเอาไว้เนี่ยอัฐุาากกใช่ณโมเนี่ยมักจะเข้ากับกิริยาว่าอัฐถุใช่อัถุมาดูอัฐถุว่ามาจากไหนนะถ้าไม่รู้จักอัตถุนี่ ไปเห็นอะไรนะเห็นเขาวาดรูปงูเพราะว่าเขเขียนปลาไม่ถูกเนี่ยก็เลยไปปล า, าปนเนี่นจะตัวยาววันนี้ไปลบาหางออกเหลือขึ้นตัวแล้วก็ใส่หางเติมมีปลาต้องเป็นอย่างนี้ มความรูงูกระปาน อาสะพุวิอาสะเนี่ยเป็นธาตุอาสะแปลว่าพุวิอ้าวพุวิไม่ใช่พุวิต่อไปอาสะพุวิสะพุวิแล้วก็ตุบมันจะมีวิพัตพุวิแปลว่าในความมีความเป็นอาสะธาตุอาสะพุวินะอาสะธาตุใช้ในความหมายว่าความมีความเป็นเหมือนกับภูธาตุเหมือนกับหูธาตุ แปลว่าย่อมมีย่อมเป็นจงมีจงเป็นนั่นนะอาสาภูวิในเนี้ยในเล่มเนี้ยมีคืนไปดูหน้าต้ น, ต, น, นะ น, 6, น, น 6, ต้น่ะหน้าหกหน้าหกหน้าหข้อสองต้นต้นนั่นแหละโสภวติโหติอัตถิ รู้ว่าอัติสันติอสิอัถะอัมหิอัสมิอัมหะสมะเล่มเนี้ยเล่มของเรากาลังแปลนะยังนาหกนี่แหละคืออาสาธาตล่ะทั้งหมดเนี่ยตัวตามหลังเขาทั้งหมดเนี้ยอัติสันติอสิอัฐะอัมหิอัมหะหรืออัสมิอัสมะเนี่ยนะเนี่ยคืออาสาธาตในอัพวคุวิตัวเนี้แปลว่ามีแปลว่าเป็นความมีความเป็น อธิสันติอสีอัธามิอสมิอัมหะสมะเนี่ยวัตตมานาวิพัตไม่ใช่ปัญจมีวิพัตถ้าปัญจมีวิพัตก็จะมีรูปเป็นอัถุสันตุแต่ว่าสันตุมีใช้น้อยใช้มากที่สุดคือรูปว่าอัตถุคือตุตุปัญจมีวิพัตแล้วอาสะกับตุทําไมเป็นอัตถุได้ สราทา น, นี้ท่านนิสระทีตัวลบสระตัวสุดท้ายไปใส่จุดไวปรบสระแล้วแล้วก็ตุปัญจมีตอนนี้อ่านว่าอัสตุเนี่ยนะวิธีธรรมท่านบอกว่าหลังจากอาสตราท่าเนี่ยให้อาเทศตุปัญจมีวิพัฒน์เนี่ยเป็นประตุ เป็นตุ๊บในกัจานสูตรมีสูตรว่าตุตัตพุตตังตุเป็นตุูบในอาขยาตุตัตพุตตังติตัติตตังถ้าติตัติตตังก็มีรูปเป็นอัฐิตุตัตพุตตังก็มีรูปเป็นอัฐุพอตุเป็นตุูบแล้วมันก็จะมีรูปเป็นอั ไมจอัอานว่าอะไร่อ่านไม่ได้อสัตตปุะไรไม่อ่านไม่ได้เมื่อมันอ่านไม่ได้มันไม่ได้เสียงก็ลบทิ้งลบสอเสือทิ้งอ่ะอเสือทิ้งก็เป็นลบลบสัพก็เป็นอถฐุอะไร จงมีจงออกจากตุมีออกจากอาศ า, าจงมีจงเป็นอัฐุมาจากอาศะผูวิตุปันจะมีวิพัตอาศะแปลว่าในความมีความเป็นตุแปลว่าจงแปลว่าปโปรดวิธีทา ลบอันนี้กสระของอส า, าธาติสละหลายตัวลบสละตัวสุดท้ายแล้วก็อาเทศตุปันจะมีวิพัตเป็นตถัถุลบสะที่สุดของอส า, าธาตเหลือแต่อะก็ออกเสียงได้ว่าอัตถุแลแปลว่าจงมีจงเป็นนะโมอัตถุจึงแปลว่านะโมความนอบน้อมอัตถุจงมี พอกริยาว่าจงมีอย่างนี้นะตัวที่จังรับจงมีได้ก็คือสัมปทานะหมายถึงจตุถีวิพัตก็จะแปลว่าแก่แปลว่าแด่ถ้าพระพุทธเจ้าก็แด่ถ้าคน ท, ทั่วไปก็แก่นะโมความ น, นอบน้อมอัตถุขอจงมีโปรดจงมีพระคะวะโต แต่พระผู้มีพระภาคอัะรหัโตผู้เป็นพระอระหันต์ผู้ห่างไกลจากกิเลสผู้หักซี่ล้อแห่งมารอรหัตโตแปลได้หลายอย่างสัมมาสัมพุทธสะผู้ตรสังรู้ชอบผู้ตรัสสังรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบอแล้วก็ตััสะพระองค์นั้น กิเลสท่านอุปมาว่ากิเลสความนอบน้อมขอจงมีแด่พระผู้มีพระภาคแปลพระคว่าโตก่อนถ้าแปลยกศัพท์นะแล้วก็มาแปลอรหันโตแล้วก็แปลสัมมาสัมพุทธสัสนตัดสันั้มาแปลทีหลังดังนั้นเวลาเขาแปลวงหารเขาจะแปลง่ายง่ายอย่างนี้ว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตัดสะไว้แปรที่หลังเลยขอความนอบน้อมแด่ไม่ต้องจงมีแล้วนะขอความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้ น, นมาจากอรหันตะเนี่ยอรหัตโตเนี่ยนาตะกับสะเป็นโตไงทับศัพท์พระอรหันต อรหันก็คือพออระอรหันไม่ได้ทับศัพท์นะความนอบน้อมขอนอบน้อมแด่ขอนอบน้อมแด่อออดคำว่าขอเนี่ยนะมาจากอัฐุนี่แหละขอแปลว่าขอแปลว่าจงโปรดเธอช่วยเธอช่วยหน่อยกรุณาขอร้องอะไรไนะ เ, เช่นคว่าขอขอขอในภาษาไทยเขาแปลออกมาจากปัญจะมีวิพัฒนนี่แหละ ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ท่านมีแต่ขอหมดเลยดังนั้นเขาก็เลยพูดมักจะพูดพูดไม่ต้องขอไม่ต้องขอขอมันเป็นกิเลสขอนเป็นโลภะเขาไม่เข้าใจว่าขอเนี่ยมันมาจากไหนไปตีเอาแต่คำภาษาไทยเฉยๆขอเนี่ยมาจากปัญจะมีวิพัเตเป็นกริยาของคำประโยคดูต่อไปข้อสอง นโมเตพุทธวีงรัตถุวีงรัตถุเนี่ยเป็นสนธิคือวี ingr บวกอัตถุอัตถุเป็นกิริยาไปไว่าจงมีนั่นแหละพุทธกับวี i ร g เป็นอารปนะอารัปนะก็แปลก่อนว่าพุทธวี i n g พุทธฆ่าแต่พระพุทธเจ้าวี ingr ผู้กล้าหาญฆ่าแต่พระพุทธองค์ผู้กล้านะโม ความนอบน้อมอัตถุขอจงมีเตแก่พระองค์่าแต่พระพุทธเจ้าผู้กราหารข่าพระองค์นอบน้อมพระองค์นั่นเองค่าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ถ้าภาษาไทยว่าเรียกเรียกแล้วครับเอาล้วนะฉันจะไหว้คุณแล้ว พุทธวิญระฆ่าแต่พระพุทธเจ้าผู้กล้าหานนโมความนอบน้อมอัตถุขอจงมีเตแด่พระองค์ความนอบน้อมอขอจงมีแด่พระองค์ฆ่าแต่พระพุทธเจ้าผู้กล้าหานฆ่าอขอความนอบอขอนอบน้อมพระองค์ขอ ขอนอบน้อมแด่พระองค์่าแต่พระพุทธเจา้าผู้กล้าหาญขอนอบน้อมพระพุทธองค์ขอค่าอะไรนะค่าพระพุทธองค์เลยไม่ต้องข่าพระพุทธองค์ก็ได้ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค์ไม่ใช่วีรัตถะอยู่ไหนวีรัถุวีรกระคําหนึ่งอัตถุคําหนึ่งวีรระแปลว่าผู้กล้าเป็นวิเศษณ์ของพุทธะ พุทธวิญระเป็นอารปนะแยกออกมาเลยวิงระถุคือวิญระบวกอัตถุวิญระบวกอัฐถูกวิญระแปลว่าผู้กล้าผู้กล้าหานอัฐถูแปลว่าจงมีงเห็นอัฐถุที่ไหนแปลว่าจงมีมนั่นแหะขอจงปโปรดจงช่วยหน่อยกรุณาแล้วแต่ว่าเราจะพูดคําไหนให้เพราะที่สุดให้ ให้เรียกเอาความอนุเคราะห์ความเอ็นดูความเมตตาสงสารให้ได้มากที่สุดอะแต่ไม่ต้องใช้ขนาดอขอโปรดจงกรุณาช่วยหน่อยเถิดไม่ต้องถึงขนาดนั้นะ <c oughs> <c oughs> นะอัฐุปแปลว่าจงมีต่อไปข้อสาม นมัทธุพุทธานังนมัตธุโพธิยานมัตธุตัดสนธิออกมาเป็นอะนาโมอัตถุเบียนสนธิมาแล้วสบายแล้วเห็นนมัตธุที่ไหนตัดพวกเลยนะโมอัตถุนาโมความนอมน้อมอัตถุจงมีพุทธานังแปลว่าพุทธานังแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย จะนอบน้อมพระพุทธเจ้าหลายองค์แล้วตอนนี้ไม่ใช่นอบน้อมพระพุทธเจ้าโคดมเท่านั้นแม้แต่พระวิปัสพระกัสสปะพระกัคุสันทาโกนาคมนณะหรือย้อนไปตั้งแต่พระปัทมุตตะเมื่อแสนกับที่แล้วไล่มาเท่าที่ระลึกได้พระพุทธเจ้าองค์ไหนชื่ออะไรบ้างนอบน้อมให้หมดเลยนอบน้อมพระพุทธเจ้าหลายองค์ก็ได้เหมือนกันะสัมพุเทหรือไม่ก็วิปัสสิษ ต่อไปนวัตถุปโพธิยานวัตถุก็นโมอฐุเหมือนเดิมส่วนโพธิยานี้แปลว่าปัญญาเครื่องตัดสังรู้อันนี้ไม่ใช่บุคคลอันนี้เป็นปัญญ า, ญญานอกจากนอบน้อมพระพุทธเจา้าแล้วยังนอบน้อมพระปัญญาของพระพุทธเจา้าด้วยคําว่าพระปัญญาในที่นี้หมายถึงพระสัพพัญญุตญาณโพธิเนี่ยแปลว่าสัพพัญญุตญาณขอความนอบน้อมจงมีแด่พระสัพสพัญยุตญาณ คาพระทธเจ้ไหวปัญญาพระพุทธเจ้าในนั้นไงในใ น, ในอะไรวิรูปรเขเเฮเมเตตังเมเตตั ง, ตงนะน่ะตอนท้ายก็จะลงอย่างนี้แหละน้ำมัตถุพุทธานังน้ำมัตถุโพธิญานโมวิมุตตานังนโมวิมุตตยาอัปมาโนพุโทโธนะน่ะไปฟังไว้พระสวดมนตนะ์ 菩萨 พ, พันยูยนหมายถึงผู้เจ้าเท่านั้นพระัมพันยูมีพระสัมมาสัมพุทธนั้นปเจพุทธะก็ไม่เรียกว่าสัพพันยูพระสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นเป็นสัพพันยูต่อไปข้อสเป็นคำต้อนรับว่าขอต้อนรับหรือยินดีต้อนรับสวากตังเตมหาราชะเราเอามหาราชะใส่ใครก็ได้แทนลงไปแล้วแต่ว่าเราจะต้อนรับใคร ตอนนี้เราต้อนรับพระพุทธพระราชาเราก็ใช้ว่ามหารกราชาถ้าทุกวันนี้ป้ายเวลาในหลวงเสด็จไปไหนมาไหนก็มีแต่ขอจงทรงพระเจริญถ้าเป็นสมัยเก่านะย้อนยุคไปตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์เขียนเป็นบาลีคำนี้แปะเลยสวาคตังเตมหาราชา สวาคตังเตมหากราชะเขียนอย่างนี้แหละมหาราชะข้าแต่มหาบอพิษข้าแต่มหากราดเจ้าสวาคตตังเตความเสด็จมาดีการเสด็จมาดีโหตุจงมีเตแก่พระองค์ขอให้พระองค์เสด็จมาโดยดีพระองค์เสด็จมาดีแล้วนั่นเองนะ่ะข้าแต่มหาราชเจ้า พระองค์เสด็จมาดีแล้วสวาคตังเตมหาราชะแล้วก็เปลี่ยนมหาราชะเช่นจะต้อนรับอุบาสกก็สวาคตังเตอุปาสกะต้อนรับพระก็สวาคตังเตพันเตอะไรพวกนี้เปลี่ยนคำอารัปณะไปต่างๆนานาได้หลายคำแ ต, แต่เราจะใช้คำไหน อืออาจริเยไม่ได้ต้องอาจริยะเป็นอารปนะไงอารปนะสวัสดังเตท่านเสด็จมาดีแล้วขอให้ท่านชงเสด็จมาดีต่อไปข้อห้านามัตถุอาจักริยสสะเนี่ยว่ายอาจารย์แล้วนามัตถุอาจริยสสะเช่นเห็นอาจารย์ปุ๊บอาจารย์สวัสดี เดี๋ยวนี้มักนิยมสวัส ด, ดีด้วยโอ๊ยเดี๋ยวนี้พวกกับพราเขาสวัสดีกันหมดแล้วเหรออ่าเขาก็ใช้นมัสการถ้ายกมือไหว้เฉยก็นมัสการถ้ากราบได้ก็กราบนมัสการเดี๋ยวนี้มีแต่สวัสดีเลยยกมือไหว้สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีมีแต่สวัสดีอะไรแบบนี้ขอความนอบน้อมขอนอบน้อมไงนามัตถุ ความนอบน้อมจงมีอาจารย์กิเลสแต่อาจารย์ข้าพเจ้านอมน้อมท่านอาจารย์นั่นเองอะแล้วแต่นอมน้อมขนาดไหนนะเช่นพนมมือก็นอบน้อมก้มลงหน่อยหนึ่งก็นอบน้อมกราบก็นอบน้อมเหมือนกันขอนอบน้อมท่านอาจารย์แงงปลง่ายๆว่าขอนอบน้อมท่านอาจารย์ไม่ต้องข้าพเจ้า นมัตถุนี่ไม่ต้องใช้ข้าพเจ้านาโมเป็นประธานอัถุเป็นกริยาคําว่าข้าพเจ้าจะไม่มีเลยถ้าจะขอน้อมน้อมแทนที่เราจะใช้นาโมอัตถุเราก็เปลี่ยนเป็นกิริยาอื่นไปเลยได้เช่นคําว่านามามิก็อาหานมามิเช่นนามามิเต ส, สั้นๆนะนะณ า, ามิเตสวัสดีครับสวัสดีค่ะนามามิเต ข้าพเจ้าขอไหว้ท่านนะฮเสมือกันก็ธรรมดาธรรมดาจะสวัสดีใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีค่าอะไรธรรมดาใช่ไหมก็แล้วก็ใช้วันธามิวันธามิ ก็ธรรมดาทั่วไปคำ<ม>ว่าวันธามินี่คือพนมมือไหว้ประคองอัญชลีวันทามิมใช่ธรรมดาธรรมดาเนี่ ย, ยต่อไปข้อหเป็นคาถาจากคัมภีร์วัตโตไทยเป็นปนามาคาถาคาถาขึ้นต้นคัมภีร์นะมัตถุชนะสันตานะธรรมสันตานะเพทิโนธรมมุชลันตัลุจิโนมุนินโทธาตังโรจิโน มีนมัตถุด้วยเห็นไหมนามัตถุคือน้โมอัต ถ, ถ, ถุเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็ในคาถานอกนี้มีสามมีสามคำชนะสันตานะธรรมสันตานะเพทิโนโนี่คือคําคําเดียวเป็นสมาตธรรมุฉลันตุจิโนอีกหนึ่งคำมูนินโททาตังโรจิโนอีกหนึ่งคำคาถานี้นอบน้อมพระพุทธเจ้าพระสัตยธรรมและพระสงฆ์พูดง่ายๆก็คือคาถานอบน้อมพระรัตนตรัยนั่นเอง นอบน้นพระพุทธเจ้าด้วยบาต ท, ที่สี่สุดท้ายมูนินโทาทาตังโรจีโน่นอบน้อมพระธรรมด้วยบาต ท, ที่สามคือธามูชลันตรุรจีโน่นอบน้อมพระสงฆ์ด้วยบาต ท, ที่หนึ่งและที่สองต่อกันว่าชนะสันตานะตัมสันตานะเพทิโน <c oughs> เอาพระพุทธเจ้าก่อนดังนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมก็ขยายพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็ขยายพุทธเจ้าจิงเรียงไว้ข้างหน้าหนาหน้าไป ก็ยังไงคำขยายก็จะอยู่ข้างหน้าไงพระธรรมและพระสงฆ์ขยายผู้ทธเจ้าก็ไปไว้อยู่ข้างหน้าผู้ทธเจ้าดูนะนะมัฐุนะโมความนอบน้อมอัฐุขอจงมีมุนินโทธาตะโรจิโนแดดวงจันอันผุดผ่องคือพระจอมุนีในคำพีพรรณนาต่างๆ จะพนานาพระพักของพระพุทธเจ้าเนี่ยผุดผ่องดุจ ด, ดวงจันทร์วันเพ็ญใครได้มองดวงจันทร์วันเพ็ญไม่มีเบื่อไม่มีไหนมองยิงกระต่ายนี่ยิงหมายปองมุนินโททาตักรอจิโน <ino> แต่ว่าในสับคนรู้ข้างล่างในะแยกให้แล้วนะว่าคําไหนแปลอะไรคําไหนแปลอะไรถ้าอยากจะรู้ว่าแปลคําไหนจากคําไหนนะอืม แดดวงจันทร์อันผุดผ่องหรือว่าแดดวงจันทร์อันเจิดจ้าแล้วแต่นะคือพระจอมุนีธรมมุชลันตะรุจิโนธรร ม, มะก็ธรร ม, มะอุชรันตะแปลว่าสว่างสวัยแปลว่าโชดช่วงรุจิโนแปลว่ารัศมีแปลว่าแสง ธรรมชลันตารุจิโนผู้ทรงมีพระรัศมีอันสว่างสวัยอยู่คือพระธรรมแสงจันทร์เป็นเหมือนพระธรรมดวงจันทร์เป็นเหมือนพระพุทธเจ้าดวงจันทร์เปรียบเหมือนพระพุทธเจ้าแสงจันทร์เปรียบเหมือนพระธรรมของพระพุทธเจ้าสองสว่างต่อไป ชนะสันตานะตมะสันตานะเพทิโนชนะก็แปลว่าชนหมูชนปวงชนฝูงชนสันตานะแปลว่ากระแสจิตหรือแปลว่าสันดานตมะแปลว่าความมืดหมายถึงโมหะสันตานะมันมีคำว่าสันตานะสองคำสันตานะแรกนั้นแปลว่ากระแสจิตสันตานะหลังแปลว่าหมู่แปลว่ามาก เพทิโนแปลว่าผู้ทำลายผู้ทาลายหมายถึงพระพุทธเจ้าผู้ทำลายหมู่ความมืดในกระแสจิตของหมู่ชนในกระแสจิตของปวงชนดังนั้นแสงดวงจันทร์ที่สองสว่างลงมาสามารถทำลายความมืดในใจของใครได้คนนั้นก็มีจิตสว่างคูนั้นก็ถือว่าเป็นพระอริยสงฆ์แล้วใช่ไหม นั้นปวงชนไหนแสงธรรมของพระเจ้าสองมาถึงให้สว่างเกิดขึ้นในใจได้ผู้นั้นก็เป็นพระริยสงดังนั้นคำนี้จึงหมายถึงพระสงฆ์ถ้าจะแปลแบบง่ายๆไม่ต้องพันธนาอะไรมากก็บอกว่าขอความนอบน้อมจงมีแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์แค่นี้นแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะพัรธนาเพ้เห็นชัดเจนว่า พระเจาเนี่ยเป็นเหมือนดวงจันทร์ที่กำลังผ่องใสส่วนพระธรรมนั้นก็เป็นเหมือนรัศมีของดวงจันทร์ที่สองสว่างเจิดจ้าส่วนพระสงฆ์นั้นก็หมายถึงผู้ทำลายโมหะได้แล้วมีความสว่างเกิดขึ้นในจิตสันดานแล้วนั่นเองคาไหนแปลไม่ออกค่อยๆดูไปแล้วกัน แต่ถ้าเป็นคัมพี์ที่พรรณนาประเภทเนี้ยความสามารถที่มาใช้พรรณนาแบบนี้เป็นความสามารถที่เรียนคัมภี์สุปโพทาอลังการละพูดแต่ละคําเนี่ยล้วนจะมีโวหารสำนวนมีความแพงรอพ้อเพลิดพริงเดี๋ยวเราเรียนเรียนไปก็ได้เรียนอลังการละพอเรียนอลังการละแล้วนี่คาพูดออกมาแต่ละคําเนี่ยล้วนแต่ บรรจงออกมาร้อยรถบทกวีไม่ใช่คําพูดเล่นๆเฮฮาธรรมดาทั่วไปนะเป็นคําพูดบอกถึงข้างในว่าโอ้ได้เรียนมีรู้ติศาสตร์มาได้เรียนคัมภีร์หลากหลายคำภีร์มาหลักสูตรที่หลักสูตรที่สี่ได้เรียนตอนนี้สูตรที่หนึ่งใช่ไหมสูตรที่สองที่สามที่สี่ ท, 2, ท, 3, ท, 4. ทั้งหมดมีหกหลักสูตรอ่ะหลักสูตรที่สี่อีกสามปี อันเดียวกันมาจากรู้จักธาตุเนี่ยวัตถิติยังเหมือนกันรู้จักทิฏฐิยังรู้จักทิฏฐิมหีเหมือนกันแปลแปลแปลแปลไอ้ความหมายของคําแปลเนี่ยมันแตกต่างกันตรงที่ตัวธาตุแตกต่างที่ตัวไอตไม่ใช่ตัวธาตุตัวปัจจัยแตกต่างที่ตัวปัจจัยปัจจัยคือปัจจัยที่ลงหลังจากธาตุ อันน้ปัจจัยบางตัวให้วุธิทางโกร์เนี่ยวุธิอุเป็นโอทางรูเนี่ยคือยังไม่วุธิอุเป็นโอแต่ถ้าโดยความหมายของคำเนี่ยมันอันเดียวกันแต่ท่านมาใช้คนละอย่างกันดันนะั้นคว่าโกรจิโนเนี่ยนะแปลว่าดวงจันรคาว่าโรโรจะเนี่ยแปลว่ารุ่งเรืองแปลว่าโชดช่วงแปลว่าสว่างแปลว่าเจิดจ้านั้นรู้จีรจีเนี่ยแปลว่าแสงจัน ใคชื่งรูจีคือแปลว่าแสงจันน่ะนางสาวแสงจันนางสาวรูจีอันเดียวกันรูจีแปลว่าโดยความหมายรู้จีเนี่ยแปลว่าผู้มีแสงสว่างผู้มีรัศมีส่วนวุตถิอูเป็นโอไปแล้วเนี่ยนะจึงหมายถึงหมายถึงดวงจันทร์ส่วนรู้จีโนนั้นหมายถึงพระพุทธเจ้าโรจีโนเนี่ยดวงจันทร์ส่วนรู้จีโนนั้นพระพุทธเจ้า ความหมายเหมือนกันมาจากภาตุเดียวกันเลยรู้จักธาตุรู้จักทิศติมหิรู้จักทิศ ต, ติยังแปลว่าสว่างสวยแปลว่าโชตช่วงแปลว่ารุ่งเรืองแปลว่าเจิดจ้าแปลว่าขุดผ่องเขียนคําแปลคาถาเนี่ยขอนอบน้อม นโมนวัตถุนั่นแหละนะแปลว่าขอนอบนอบ้อมความนอบนอบ้นอมจงมีแปลง่ายๆก็แปลว่าขอนอบนอบ้อมแตดวงจันทร์อันมีรัศมีผุดผ่องโอทาตะแปลว่าขาวแปลว่าสว่างไงโอทาตะเช่นโอทาตะกสินเห่งสีขาว แดดวงจันทร์อันมีนรัสมีผุดผ่องคือพระจอมมุนีคําว่าพระมุนีหรือพระจอมมุนีในนี้แปลว่าพระพุทธเจ้าคือพระจอมมุนีแดดวงจันทร์อันมีงรัสมีผุดผ่องคือพระจอมุนีต่อไปผู้ทรงมีพระรัสมี สว่างสวัยอยู่ผู้ทรงมีงรัสมีสว่างสวัยอยู่คือพระสัทธรรมผู้ทรงมีพระรัสมีสว่างสวัยอยู่คือพระสัทธรรมผู้ทรงทำลายความมืดมน ผู้ทรงทาลายความมืดมนในกระแสจิตของปวงชนถ้าแปล ง, ง่ายๆก็ขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์แค่นี้แหละสั้นๆ ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ไหว้พระรัตนตรัยคราวเดียวกันทีนี้ลองแปลตั้งแต่ข้อหนึ่งนะโมตัสสะ นะโมตัสสะพระค้วะโตอัระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะโมเตพุทธวีรัตถุขอนอบน้ อ, อข้าแต่ก่อนข้าพระพุทธเจ้าผู้กล้าหาน ขอนอบน้อมแด่พระองค์ณนะมัตถุพุทธานังขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระสัพพยุตยานสวาคตังเตมหาง ร, ราชาข้าแต่มหาง ร, ราชเจ้า พระองค์สเสด็จมาดีแล้วนัมัตถุอาจังเรียสะขอนอบน้อมแด่ดท่านอาจารย์นัมัตถุชนะสันตานะตมะสันตานะเพ ท, ทิโนธรรมมุชลันตังโรจิโนมุนินโททาตังโรจิโน ขอนอบน้อมแต่ดวงจันทร์อันมีรัศมีผุดผ่องคือพระจอมมุนีผู้ทรงมีพังรัศมีสว่างสวัยอยู่คือพระสัทธธรรมผู้ทรงทำลายความมืดมนในกระแสจิตของปวงชน